สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกไทยนะครับนับตั้งแต่วินานทีนี้เป็นต้นไปจนเกือบ60นาทีนะครับที่เราอยู่ด้วยกันเราอยู่ที่ FM 89.5 MHz สเมสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่าน ก็อาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของฝุ่นเรื่องของควันแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปสำหรับคนที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครก็คงต้องหาโอกาสและก็หาสิ่งต่างๆที่ช่วยดูแลตัวเองสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับก็คือกาลังใจอยากให้คุณผู้ฟังได้มีกําลังใจที่จะต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆผมคิดว่า เรื่องราวต่างๆก็จะผ่านพ้นไปตามกาลเวลานะครับเอาใจช่วยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขความสบายใจนะครับเรามาดูกันนิดนึงว่าวันนี้แต่ละช่วงของรายการมรดกไทยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับช่วงที่หนึ่งนะครับผมนึกถึงเพลงนี้มานานแล้ววันนี้จะพูดถึงเพลงหมอกหรือควันนะครับเพลงนี้มีความน่าสนใจ แล้วก็มีสัจธรรมแฝงอยู่ในเพลงนี้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงที่สองมรดกวิถีไทยนะครับวันนี้นำเสนอเรื่องราวของทูบแล้วก็หลักการจุดทูบในพิธีกรรมทางพุท ธ, ธศาสนาว่ามีสัญลักษณ์อย่างไรและหมายความว่าอย่างไรรับรองว่าน่าสนใจมากๆนะครับช่วงที่3มมรดกภูมิปัญญาไทย วันนี้ผมภูมิใจมากๆที่จะนำเสนอประวัติของศิลปินแห่งชาติก็คือคุณสวลีปะกาพัน์เจ้าของบทเพลงหากรู้สักนิดจากละครแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องบ้านสายทองนะครับประวัติของท่านน่าสนใจมากๆครับมาถึงช่วงที่4มรดกทางภาษาวันนี้ผมจะนำเสนอสำนวนภาษาจากพระพุทธศาสนาที่สะท้อนวัฒนธรรมความเชื่อ ในเรื่องของบุญบาปเวรกรรมซึ่งสำนวนเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยนะครับและทั้ง4ช่วงผมคิดว่ามีความน่าสนใจและจะเพิ่มเติมความสุขความน่าสนใจลงไปด้วยเพลงเพราะๆ เ, เหมือนเดิมนะครับที่ผมตั้งใจคัดเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้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 ช่วงที่1นึมรดกเพลงไทยคุณผู้ฟังครับผมตั้งใจที่จะนําเสนอเพลงหมอกหรือควันเนี่ยนานมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเกิดในเรื่องของหมอกแล้วก็ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในอากาศแล้วก็จะมานําเสนอเพลงนี้ความจริงเพลงนี้มีเสน่ห์มากมายเพราะว่าเพลงหมอกหรือควันนั้นเปรียบเทียบคนที่เดินเข้ามาในชีวิตของเราบางคนก็อาจจะเป็นหมอกในยามเช้าที่สร้างความสดใส บางคนคบไปก็กลายเป็นควันพิษที่ทําให้เราเสียน้ําตานะครับมาดูประวัติเรื่องราวของเพลงนี้นิดหนึ่งนะครับเพลงนี้ผู้ขับร้องเพลงนี้ก็คือคุณธงชัยแม็อินไตยคําร้องโดยคุณสีฟ้าทํานองโดยคุณชาตรีคงสุวรรณแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยคุณชาตรีคงสุวรรณนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบัม้มบูมแมลงสําหรับเพลงนี้มีการเกิืนด้วยคําถามที่ถามว่า หมอกจางๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นอย่างหมอกหรือควันคุณรู้ฟังครับแล้วตัวเราเองแะครับเป็นหมอกหรือเป็นควันให้กับคนรอบข้างแต่จริงๆแล้วเราสร้างความสุขสร้างสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างเราก็จะมีคุณค่านะครับหมอกจะงดงามและทำให้ยเยื่อเกลยนแสนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบา หากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้าตานี่เป็นข้อสรุปสำหรับคนที่เดินเข้ามาในชีวิตนะครับคุณรู้ฟังครับเพลงนี้มีคาถามเพลงนี้มีการเปรียบเลยแล้วถ้าคุณรู้ฟังเคยชมมิวสิกวิดีโอหรือคอนเสิร์ตของเพลงนี้คุณรู้ฟังจะประทับใจกับภาษามือที่คุณธงชัยแม็อินไตได้นำเสนอแล้วก็สื่อความเพื่อให้คนที่ พิการทางการได้ยินเนี่ยได้เข้าใจว่าเพลงนี้นั้นพูดถึงเรื่องอะไรโดยส่วนตัวเราก็ประทับใจทั้งเนื้อหาและก็วิธีการนำเสนอเพลงนี้นะครับกุณนรู้ฟังครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าทุกข์สุขเศร้าหรือยินดีสุดท้ายก็เป็นเพียงความรู้สึกที่เราสัมผัสดังนั้นการที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเรียนรู้แล้วก็เข้าใจโลกใบนี้ จะทำให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับดังนั้นจากคําถามเพลงนี้ที่บอกว่าคุณเป็นหมอกหรือเป็นควันถ้าเป็นหมอกก็จะทําให้คนอื่นได้มีความสุขถ้าเป็นควันก็จะทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เป็นคําถามที่น่าสนใจดังนั้นเรามาฟังเพลงที่น่าสนใจเพลงนี้กันนะครับนี่คือเพลงหมอกหรือควันผลงานการขับร้องของคุณธงชัยแม็กซอินไต์ขอเชิญรับฟังครับ จางจางและควันคลายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นยังหมอกหรือควันหมอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็นแสงจะเยังสบายเมื่อยางจาถ้าเป็นควันไฟ ถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงจึงอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีก็ เ, เป็นใจหมอกขาวแล้วบางคราวก็เป็นเหมือนควันฉันมันชักไม่มั่นใจเพราะเธอฉันต้องเสี่ยงกับวันไฟ จะเตรียมตัวและเตรียมใจทอนตัวเราว่ากลัวจะเสีย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 บางทีเธอเป็นจช่นหมอกขาวแล้วบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันนั้นชักไม่มั่นใจตัวาะเธอฉันต้องเสียงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจทนตูมเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาทนตูมเพราะว่ากลัว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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบางซื่อจังชัน Sweet FM 8 9ดสวิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www radio rmutt ac th โทรศู6ย์ส7งหถึง รฟังครับหลังจากที่ฟังเพลงหมอกหรือควันจบลงไปแล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพลงนี้จะทำให้คุณฟังได้มีความสุขแล้วก็มีข้อคิดเล็กน้อยฝากไว้ในเพลงนี้นะครับมาถึงในช่วงมรดกวิถีไทยนะครับคุณู้ฟังครับไม่ว่าตรุษจีนปีใหม่เทศกาลงานต่างๆนะครับเรื่องราวของทูบไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากทีเดียว วันนี้จะนําเสนอเรื่องราวของทูบซึ่งมีความน่าสนใจเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของคนไทยนะครับคุณผู้ฟังครับทูบเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วก็มีความสําคัญในสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งคําว่ทาทูบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพศ2542ได้ให้ความหมายว่าเครื่องหอมชนิดหนึ่ง มีแกนทาด้วยก้านไม้ไผ่เล็กๆมีสีแดงแล้วก็พอกด้วยผงไม้หอมมักจะใช้จุดคู่กับเทียนซึ่งทูปใช้ลักษณะนามว่าดอกนะครับสำหรับสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มที่15นะครับคุณผู้ฟังได้อธิบายถึงที่มาของคำว่าทูปนะครับว่าทูปเป็นคำมาจากภาษาสันสกฤตแล้วก็บาลีแปลว่ากลิ่นหอมเครื่องหอม วิธีที่จะให้ส่งกลิ่นหอมในชั้นเดิมคงใช้กองไฟนะครับเกาะขึ้นมาแล้วก็เอาเครื่องหอมนะครับใส่แล้วก็โรยลงไปเพื่อเผาให้กลิ่นเนี้ยกระจายนะครับต่อมาจึงรู้จักภาชนะที่ใช้สำหรับรองรับไฟเช่นตะคันเผาทูกเพราะว่าสะดวกต่อการยกไปไหนมาไหนคุณรู้ฟังครับชาวอียิปต์โบราณชาวยิวแล้วก็ชาวกรีกก็ ใช้ทูบในลัทธิบูชามาตั้งแต่สมัยดึกดำบันแล้วก็ยังคงใช้ในหมู่แขกหมู่ฝรั่งจนถึงทุกวันนี้ส่วนทูบที่เป็นก้านเล็กๆอย่างที่เห็นกันนะครับเป็นของที่เราคิดขึ้นมาใหม่แต่ว่ายังคงเป็นวิธีการของชาวตะวันออกเช่นชาวจีนนะครับนิยมกันมากเพราะว่าไม่เคยเห็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติใช้ทูบกันโดยทั่วไป คำว่าทูปในภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า j o s e Stick ซึ่งแปลว่าไม้หอมสำหรับเจ้าผีนะครับหรือว่า incense stick แปลว่าไม้หอมหรือไม้ทูบนะครับก็แสดงว่าเป็นคำที่ผสมขึ้นมา คำพ้องอยู่ในตัวฝรั่งไม่มีทูบใช้มาแต่เดิมนะครับแม้แต่คำว่าทูบที่นำมาใช้เป็นคำไทยนั้นคำเดิมก็เป็นภาษาสันสกฤตและก็บาลีมีความหมายเพียงว่าสิ่งหนึ่งที่มีกลิ่นหอมด้วยเหตุนี้นะครับหม้อไฟที่ใช้สำหรับเผายางไม้หอมจึงเรียกว่าทูบบาดคุณผู้ฟังครับเราได้คำว่าทูบเนี่ยมาใช้เป็นภาษาของเรา แต่เราใช้จุดไม้ทูปไม่ได้นะครับใช้หม้อเผาทูปแสดงว่าเราไม่ได้ใช้ทูปมาก่อนจึงไม่มีคำนี้ในภาษาเดิมของเราถ้าจะได้ไม้ทูปมาก็คงได้มาจากประเทศจีนนะครับทูปนอกจากจะใช้บูชาคู่กับเทียนแล้วในการปฏิบัติตามรัฐทิทางาศาสนาโดยเฉพาะาศาสนาพุทธ ก็ยังใช้ดอกไม้เป็นเครื่องบูชาร่วมด้วยรวมความได้ว่าทูบก็เป็นสิ่งที่หอมเทียนเป็นสิ่งที่ส่องสว่างดอกไม้เป็นสิ่งงามก็รวมเป็นสิ่งดีๆนะครับดังนั้นจึงได้ใช้ของ3ามสิ่งนี้เพื่อจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่ตนเคารพนับถือคุณผู้ฟังครับในทางาศาสนาพุทธใช้ทูบสามดอก เป็นสัญลักษณ์บูชาพระคุณทั้ง3ของพระพุทธเจ้าก็คือพระวิสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาที่คุณเรื่องราวเหล่านี้นะครับถูกเขียนไว้เป็นบทความโดยคุณอิสริยาเลาหะตรีรานน์นะครับขอขอบคุณไว้ณที่นี้คราวนี้คุณผู้ฟังครับถ้าเราจะจุดทูบเราจะมีวิธีการอะไรบ้างแล้วการจุดทูบจํานวนของทูบนั้น บ่งบอกอย่างไรเราคนไทยชาวพุทธนะครับเราจะเคยชินกับการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมทางศาสนาแล้วเคยสังเกตบ้างไหมครับว่าออจํานวนทูบที่เราใช้จุดนั้นบ่งบอกอะไรและต้องจุดทูบอย่างไรถึงจะถูกกาละเทะนะครับดังนั้นความเข้าใจในเรื่องของการจุดทูบจึงมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจ ก็คือจุดได้ตามความเชื่อที่ได้เชื่อได้ยินกันมาเพื่อเป็นการสักการะบูชาทางหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังโดยการจุดธูปบูชาเทวดานั้นท่านผู้รู้ได้ให้คำแนะนำไว้แล้วก็มีการตีพิมพ์เผยแพร่ไว้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับถ้าจุดธูปหนึ่งดอกก็เป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนแล้วก็วิญญาณที่อยู่ทั่วไป การจุดธูป2ดอกก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหารนะครับถ้าจุดธูปสามดอกก็เป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์อันนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับการจุดธูปสี่ดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธาตุสนะครับใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศีและถ้าจุดธูปห้าดอก ก็เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งพ่อแม่และครูบาอาจารย์การจุดธูปหกดอกเป็นการจุดธูปเสริมดวงชะตาตามกําลังไฟของอาทิตย์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับแล้วถ้าจุดธูปเจ็ดดอกก็จะเป็นการจุดบูชาจิตวิ ญ, ญญาณตามสารเจ้านะครับสารเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว การจุดธูปแปดดอกเป็นการเสริมดวงชะตาตามกําลังของพระอังคารส่วนการจุดธูปเก้าดอกนะครับคุณผู้ฟังเป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณเป็นพระภูมิเจ้าที่เทพเจ้าป่าเจ้าเขาลุกเทวดาสารพระภูมิสารเทพแล้วถ้ามีการจุดธูปสิบดอกก็เกี่ยวข้องกับธาตุไฟตามกําลังของพระเสามีกําลังสิบเพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตานะครับ ต่อไปครับคุณผู้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเราจุดธูป11ดอกก็ใช้บูชาเทวดาชั้นสูงการจุดธูป12ดอกในการบูชาตามกําลังอของพระราหูใช้ในการเสริมในการสวดเสริมดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดวันพุธ ต, ตอนกลางคืนนะครับต่อไปข้อนี้สําคัญมากถ้ามีการจุดธูป13ดอกเขาบอกว่าเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคล ก็ไม่น่าจะนิยมจุดนะครับอันนี้เป็นข้อที่เรียกว่าเลข13ดูเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคลคล้ายๆกับฝรั่งเหมือนกันการจุดธูป14ดอกใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์เป็นการบูชาคุณของพระสงฆ์นะครับแล้วถ้าจุดธูปสิบหกดอกนะครับออขออภัยสิครับผู้รู้ฟังต้องมาถึง15ดอกก่อนใช้สวดบูชาดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับธาตุ ตามกำลังของดาวจันทร์และถ้าจุดทูบ16ดอกเป็นการจุดทูบบูชาเทพขั้นสูงบูชาเทพชั้นครูหรือพิธีกลางแจ้งที่มีการอัญเชิญเทวดาที่สำคัญนะครับหมายถึงสวรรค์ทั้ง16ชั้นคุณผู้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับผมจะพูดถึงการจุดทูบ17ดอกก็เป็นการเสริมดวงชะตาเสริมราศีจุดทูบ18ดอก อันนี้ก็ไม่นิยมนะครับและการจุดธูป19ดอกเป็นการบูชาเทวดาทั้ง10ทิศและถ้าจุดธูป21ดอกเป็นการบูชาพระคุณของพ่อการบูชาแม่พาร์ทรณีการจุดธูป32ดอกก็ใช้ในการสวดชุมนุมเทวดาทั้ง4ทิศการไหว้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแล้วก็1โลกมนุษย์นะครับ แล้วถ้าการจุดธูปบ39ดอกเขาถือว่าเป็นการบูชาพระแม่โพศพนะครับการจุดธูป56บดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและสุดท้ายนะครับถ้าจุดธูป108ดดอกเป็นการบูชาสิ่งสูงสุดทั่วโลกทุกชั้นฟ้าคราวนี้มีเรื่องที่น่าสนใจพระพุทธองค์ท่านได้ทรงตรัสไว้ว่าการบูชาที่ดีที่สุดนะครับ คือการปฏิบัติดีให้ปฏิบัติชอบด้วยตัวเองจึงจะได้ผลดีที่สุดการจุดธูปตามความเชื่อนั้นหากจะจุดบูชาก็สามารถจุดได้นะครับจุดได้ตามความประสงค์แต่ถ้าไม่ได้ทำความดีไม่ทำบุญทำทานหรือไม่เคยอุทิศส่วนกุศลใดๆเลยจู่ๆก็นึกอยากจะบูชาเทวดาขึ้นมา ก็ไปจุดทูบไหว้ท่านเพื่อหวังจะให้ท่านช่วยเหลือเทวดาก็คงช่วยอะไรไม่ได้นะครับนี่เป็นเกรดที่เกี่ยวข้องกับการจุดทูบตั้งแต่หดอกไปจนถึง108ดอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังจุดทุกวันในหัวใจก็คือจุดประกายของการทำความดีจุดประกายของการเสียสละเพื่อส่วนรวมสิ่งเหล่านี้ถือว่า เป็นกลิ่นหอมประจำตัวที่จะทำให้คนเร า, าคนรอบข้างก็ได้นะครับรักแล้วก็เทิดทูนเราดังนั้นทำความดีเพื่อสังคมนะครับ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 แล้วก็จํานวนทูบที่ใช้จุดนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับมาถึงในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยวันนี้ผมเองก็ภูมิใจนําเสนอเรื่องราวของศิลปินแห่งชาตินะครับท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็มีรางวัลในด้านการร้องเพลงมากมายทีเดียวนะครับวันนี้ผมนําเสนอเรื่องราวของคุณสวัสดีปากาพันธ์ครับ ท่านเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมพศ2475เป็นชาวกรุงเทพมหานครนะครับคุณสวรีพกาพันธ์นะครับได้รับการยกย่องในสาขาศิลปะการแสดงประเภทเพลงไทยสากลขับร้องในปีพศ2532นะครับคุณสวรีพกาพันธ์มีชื่อจริงว่าคุณเชอรี่สเวตนัน์ซึ่งสกุลเดิมก็คือฮอฟแมนนะครับ ท่านเป็นนักร้องเพลงลูกกรุงแล้วก็นักแสดงชาวไทยที่มีฝีมือแล้วก็มีความสามารถมากๆคุณโซรีมีผลงานบันทึกเสียงประมาณ 1,500 เพลงแล้วเธอก็ได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคลของวงการเพลงลูกกลุงซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นนักแสดงรุ่นบุกเบิกของวงการภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนในยุคฟิล์ม16ม mm มนะครับคุณผู้ฟัง ซึ่งผลงานของคุณสวรีก็ได้สร้างชื่อเสียงยกตัว อ, อย่างเช่นดัดชนีนางซึ่งรับบทเป็นดัดชนีแล้วก็เป็นนักสแสดงคนแรกที่ได้รับบทเป็นพจนมานสว่างวงจากละครเวทีเรื่องบ้านสายทองคุณผู้ฟังจําได้ไหมครับสําหรับเรื่องบ้านสายทองนี่นํามาสร้างเป็นละครนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์หลายครั้งแล้วก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จนะครับ คุณสวรีเป็นนักร้องหญิงที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานมากที่สุดถึง4ครั้งนะครับแล้วก็รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทเพลงไทยสากลในการขับร้องนะครับคุณมาฟังครับมาดูเรื่องราวของคุณสวรีอีกนิดหนึ่งท่านเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมพศ2474เเป็นชาวกรุงเทพมหานครนะครับ มาดูเรื่องราวของขั้นตอนการเข้าสู่วงการบันเทิงของคุณสรีประกาพันธ์นะครับท่านมีความสนใจด้านการขับร้องแล้วก็ดนตรีเริ่มต้นตั้งแต่สมัยชั้นมัธยมนะครับด้วยความที่ท่านเป็นผู้นำมีน้ำเสียงดีจึงได้รับมอบหมายนะครับให้เป็นผู้นำในการร้องเพลงชาติทุกๆวันต่อมาในปีพศ2491ขณะที่ท่านอายุได้17ปีแล้วก็ทางานอยู่ที่บริษัทสหไทยวัฒนาซึ่ง คุณมยุรีจันทเรืองเป็นครูสอนวิชาขับร้องที่โรงเรียนสตรีมหาพฤทธรามได้ชวนไปดูการฝึกซ้อมละครของคณะพ ก, กาวลีซึ่งก็เป็นของญาตินะครับทําให้มีโอกาสได้รู้จักกับครูรดาสารตายน์ซึ่งมีความสามารถในเรื่องของการขับร้องแล้วก็เป็นผู้ฝึกซ้อมและก็กํากับการแสดงนะครับครูมยุรีได้เล่าให้ครูรดาฟังว่า คุณเชอรี่นั้นร้องเพลงดีมากซึ่งครูรดาก็เลยทดสอบเสียงโดยการให้ร้องเพลงพระราชนิพลสายฝนปรากฏว่าเป็นที่พอใจนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นจึงชวนมาร้องเพลงสลับฉากละครในตอนเย็นหลังเลิกงานสำหรับเพลงแรกในชีวิตของคุณสวรีนะครับชื่อว่าเพลงหวานรื่นเป็นผลงานของครูประเสริฐศิลปะบัรเลงโดยร้องคู่กับ คุณวาริศสนธิรักนะครับและ ว, วันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่เริ่มต้นในชีวิตของการเป็นนักร้องและคุณผู้ฟังครับวันนั้นก็ยังเป็นวันที่ครูละดาได้ตั้งชื่อให้ท่านใช้ในวงการแสดงว่าสวัลีซึ่งสวัลีก็แปละว่านำพึ่งนะครับส่วนนามสกุลปกาพัานนั้นครูสดกุรมะโรหิตเป็นผู้ตั้งให้ในเวลาต่อมา โดยมีความหมายว่าเผ่าพันธุ์ของดอกไม้ซึ่งนำมาจากชื่อจริงของเธอคือเชอร์รี่นะครับจากนั้นมานะครับคุณสวรีได้มีโอกาสร้องเพลงสลับฉากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้แสดงเป็นตัวประกอบมีบทพูดนะครับแล้วก็ร้องเพลงบ้างในเรื่องนี้จากนั้นเมื่องานการขับร้องเพลงและการแสดงมากขึ้นนะครับท่านจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจา เพื่อมาทำงานด้านการบันเทิงคือการร้องเพลงการแสดงอย่างเต็มตัวต่อมาไม่นานนะครับท่านก็ได้มีโอกาสรับบทนางเอกครั้งแรกในเรื่องความพยาบาททำให้มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปนะครับนอกจากนี้คุณสวรีก็ได้นำแสดงในละคอรอีกหลายเรื่องจนคณะภ ก, กาวลีนะครับได้เลิกกิจการ ดังนั้นท่านก็ย้ายไปแสดงอยู่กับคณะอัศวินการละครก็เป็นนางเอกเรื่องมโนราคู่กับคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์แล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆ อ, อีกมากมายทีเดียวแต่คุณผู้ฟังครับเรื่องที่ทำให้คุณสวรีได้รับความนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆก็คือจากละครเรื่องบ้านสายทองนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เป็นบทประพันธ์อมตะตลอดการของคุณก่อสุรางคนานะครับซึ่งต่อมาก็เป็นบทละครโทรทัศน์เป็นภาพยนตร์ในส่วนตัวผมเนี่ยชมละครโทรทัศน์ถึง3ครั้งแล้วก็ชมภาพยนตร์หนึ่งครั้งสมัยของคุณจารุณีสุขสวัสดิ์นะครับจากบทพจมาที่แจ้งเกิดนะครับแล้วก็มีเพลงไพเราะทีะ่ในละครเรื่องนี้ก็คือเพลงหากรู้สักนิด ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์นะครับและเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบันถ้ามีโอกาสนะครับจะเปิดเพลงนี้ให้คุณฟังได้รับฟังนอกจากนี้นะครับคุณสวรียังได้ร่วมแสดงละครกับคณะเทพศิลป์แล้วก็คณะศิวรมเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีประสบการณ์ในวงการละครเวทีมาสักระยะหนึ่ง คุณสวรีและก็คุณอดิศักดิเวตนันนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นสามีของท่านได้มาตั้งคณะละครนันทศิลป์ก็เปิดการแสดงที่ศาลาเฉลิมนครแล้วก็ต่อมาในชื่อของคณะชื่นชุมนุมศิลปินก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับต่อมาในยุคของละครเวทีนะครับคุณสออสนาจินดาได้ชักชวนให้คุณสวรีแล้วก็คนที่รู้จัก ที่เคยร่วมงานกันมา fantastic. เนี่ยนะครับได้มาแสดงภาพยนตร์ที่เตรียมสร้างโดยให้คุณสวรีเป็นนางเอกนะครับก็มีการแสดงภาพยนตร์ program, แล้วก็ทำหน้าที่ภาคภาพยนตร์ด้วยซึ่งในระยะนี้การเริ่มร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงผลงานต่างๆก็ประสบความสำเร็จเพลงที่ทำให้คุณสวรีประสบความสาเร็จแล้วก็ well มีชื่อเสเอียงโด่งดังก็คือลมหัวนโรคลัก น่าชื่นอกตรมรักมีกรรมนะครับคราวนี้เมื่อมีการก่อตั้งไทยทีวีช่อง4บางกุนพรมก็เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับในปีพศส4 9 8คณะชื่นชุมนุมศิลปินก็เข้ามาจัดรายการโทรทัศน์เป็นคณะแรกด้วยการจัดรายการเพลงซึ่งก็มีครูสมานการจนะพลินเป็นผู้ควบคุมวง แล้วก็มีนักร้องที่มีชื่อเสียงเช่นคุณสุเทพวงกำแหงคุณชรินนันธนาครคุณนริศอารีคุณพูนศรีเจริญพงษ์แล้วก็อดีรเกจันเรืองแล้วก็ละครโทรทัศน์นะครับอีกหลายๆเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านยังเป็นผู้ภาคหนังทีวีชุดเลซี่สุนักแสนรู้นะครับส่วนงานบันทึกเสียงก็ยังมีเพลงต่างๆที่บันทึกซัง เพลงที่ร้องเดี่ยวแล้วก็เพลงคู่นะครับแล้วก็มีเพลงสายน้าผึ้งที่ร้องคู่กับหม่อมราชวงศ์นัดศรีสวัสดิวัตแล้วก็ร้องคู่กับคุณสมยศทศนาพันธ์นะครับด้วยประสบการณ์หลากหลายในวงการบันเทิงนะครับสิ่งที่คุณสวรวลได้ทำมานั้นค่อนข้างจะประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับให้ขึ้นในรมเนียบของศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งของประเทศไทยนะครับสาหรับผลงานเด่น ของท่านในเรื่องของการแสดงละครก็จะมีพจจมานพินิจนันจากละครเวทีบ้านสาทองนะครับคราวนี้บนดูผลงานของท่านนะครับมีผลงานเพลงมากมายเช่นเพลงรักไม่รู้ดับเดือนดาราปล่อยฉันไปแล้วก็ที่สําคัญเพลงที่คุณผู้ฟังรู้จักกันดีคือเพลงใครหนอและอื่นๆอีกมากมายนี่คือเรื่องราวของศิลปินแห่งชาติที่ทรงคุณค่าที่ท่านได้สร้างสรรค์ ทั้งการแสดงแล้วก็การร้องเพลงที่สร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมมาอย่างยาวนานและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของคุณสวรีประกาพันนะครับ ฉันสักว่าเธอรักฉันบอกกันวันนั้นให้ ขัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร 026917738-9 วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิรตซ์ urst, เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต คุณผู้ฟังครับนับว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผมได้นําเสนอเรื่องราวของศิลปินแห่งชาติซึ่งก็มีมากมายหลายท่านหลายสาขาทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังติดตามรายการมรดกไทยคุณผู้ฟังก็จะได้รับรู้เรื่องราวของศิลปินแห่งชาติซึ่งถือว่าท่านได้สร้างขุนงามความดีในแต่ละขแขนงไว้มากมายทีเดียวนะครับมาถึงในช่วงมรดกทางภาษานะครับ วันนี้นําเสนอเรื่องราวของสำนวนสุภาษิต ท, ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาคุณรู้ฟังครับประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจําชาติก็คนไทยก็ได้รับอิทธิพลแล้วก็แนวความคิดคติความเชื่อเรื่องต่างๆมาจากพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากทั้งในเรื่องของหลักคําสอนนะครับในพระไตปรปิฎกการเรียกชื่อศาสนาบุคคลศาสนาสถาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ว่าจะสะท้อนออกมาผ่านการใช้ภาษานะครับแต่ว่าก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของภพชาติในเชื่อในเรื่องของผลการกระทำเชื่อในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลนะครับยกตัวอย่างอดีต ท, ทำสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นปัจจุบันทำสิ่งนี้อนาคตจึงเกิดขึ้นในเรื่องของบาปในเรื่องของบุญนะครับเป็นผลจากกรรมทั้งสิ้น คนไทยจึงมีความเชื่อในเรื่องของบุญกรรมชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็ความศรัทธาความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้จึงเกิดสำนวนที่เกี่ยวข้องกับบาปบุญและกรรมยกตัวอย่างเช่นนะครับคําว่ากงเกวียนกรรมเกวียนก็หมายถึงการหมุนไปตามสภาพการเป็นไปตามเหตุผลเวรกรรมตามสนองนะครับ เมื่อพูดถึงสํานวนสุภาษิต ท, ที่เกี่ยวข้องกับบุญบาปแล้วก็เรื่องของกรรมคุณผู้ฟังจะนึกถึงคําว่าก่อกรรมทําเข็นก็หมายถึงก่อความเดือดร้อนอยู่ร่ําไปและสํานวนที่บอกว่ากินบุญเก่าก็หมายถึงได้รับผลแห่งความดีที่ทําไว้แต่ปางก่อนแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้ก็หมายถึง อย่าทําอะไรที่เป็นการแข่งขันกับคนสูงศักดิ์สูงกว่าตนเองอย่าหมายมั่นในสิ่งที่เกินฐานะของตนเองนะครับสําหรับสํานวนตามยถากรรมก็หมายถึงเป็นไปตามกรรมสุดแต่จะเป็นไปสํานวนบาปเป็นทุนบุญเป็นกําไรก็หมายถึงจงเพียรพยายามละบาปอันเป็นทุนเดิมและรีบทําบุญกุศลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ บุญกรรมทำแต่งคุ้นเคยนะครับก็หมายถึงผลของบุญกรรมที่เคยได้ทำมาแต่ชาติปางก่อนนะครับบุญมาปัญญาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักอันนี้ผมไม่คุ้นเคยกับสำนวนนี้นะครับก็หมายถึงยามโชคชะตาดีชีวิตมีแต่โชคดีนะครับบุญหนักสักใหญ่ก็หมายถึงมีอานาจวาสนามาก อยู่ในตำแหน่งที่สูงนะครับต่อไปจะเป็นกลุ่มสำนวนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความดีแล้วก็ความชั่วนะครับเช่นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจก็หมายถึงความทุกข์หรือความสุขที่อยู่ในใจของตนเองนะครับต่อไปเป็นความเชื่อที่เป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับผีสางทเท ว, วดานะครับยกตัวอย่างเช่น บนข้าวผีตีข้าวพระก็หมายถึงขอร้องให้ผีสางเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือโดยจะแก้บนเมื่อสำเร็จหรือว่าสมประสงค์แล้วนะครับปล่อยเปรดปล่อยผีก็หมายถึงการปล่อยให้พ้นจากการควบคุมในบางโอกาสแล้วสำนวนที่บอกว่าปลํำผีลุกปลุกผีนั่งก็หมายถึงการพยายามทำให้มีเรื่องมีราวขึ้นมานั่นเอง สํานวนผีเข้าผีออกหมายถึงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย <c oughs> เคยเป็นไหมครับถูกใครบน่นบ้างไหมครับเรื่องผีเข้าผีออกผีซ้ำดําพลอยหมายถึงถูกซ้ำเติมเมื่อพลังพลาดหรือเมื่อล่าวเคราะห์ร้ายผีถึงป่าช้าหมายถึงต้องยอมทําตามด้วยความเต็มใจหรือไม่มีทางเลือกนะครับผีบ้านไม่ดีผีป่าก็พลอย คำนี้นี่ผู้ใหญ่มักจะพูดอยู่เสมอก็หมายถึงคนในบ้านเป็นใจช่วยให้คนนอกบ้านเข้ามาทําความเสียหายได้แล้วผีไม่มีสารล่ะครับคุณผู้ฟังคํานี้หมายถึงไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็สำนวนฝากผีฝากไข่ก็หมายถึงขอยยึดเป็นที่พึ่งจนวันตายนั่นเองครับสำนวนลูกผีลูกคน ก็หมายว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่ได้มักใช้ในกรณีสำคัญสำคัญหูผีจมูกมดคุณผู้ฟังคุณนเคยไหมครับคานี้หมายถึงมีการไหวตัวหรือรู้ทันเหตุการณ์นั่นเองต่อไปก็จะมาถึงกลุ่มสำนวนที่เกิดขึ้นจากพิธีกรรมแล้วก็สิ่งที่ปฏิบัติทางศาสนานะครับเช่นกรวดน้ำความขันนะครับหรือ บางทีก็พูดว่ากรวดน้ำคว่ำกลาก็ได้หมายถึงตัดยติขาดมิตรไม่คบหาสมาคมด้วยจำสินอย่าเอาหน้าภาวนาอย่าว่าแต่ปากก็หมายถึงอย่าทําบุญทาทานถือสินฟังธรรมเจริญกรรมฐานเพื่ออวดคนอื่นนั่นเองสำนวนที่บอกว่าตบหัวกลางสารามาขอขามาที่บ้านก็หมายถึง ลักษณะของคนที่ทําให้คนอื่นได้รับความเสื่อมเสียหรือความอับอายท่ามกลางสาธารณชนแต่ว่าเมื่อจะรับผิดนะครับหรือจะมาขอโทษก็กลับไปแอบขอรับผิดหรือว่าขอโทษกับบุคคลที่ตนเองกระทาแบบว่าไม่เปิดเผยนั่นเองตากบาทจะาถามพระหมายถึงจะให้อะไรแก่ผู้ที่เต็มใจรับอยู่แล้วก็ไม่ต้องถามนะครับทาบุญเอาหน้า หมายถึงทำบุญเพื่อโอ้อวดไม่ได้ทำด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็มาถึงบวชอย่าให้เสียผ้าเหลืองศึกอย่าให้เปลืองผ้าลายก็หมายถึงเกิดมาเป็นคนไม่ว่าจะทำอะไรหรือเป็นอะไรต้องทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มาถึงสำนวนปิดทองหลังพระก็หมายถึงทำความดีแต่ว่าไม่มีใครเห็น มาถึงสำนวนสุดท้ายนะครับพังปากเสียสินพังตีนตกต้นไม้ก็หมายถึงพูดหรือทำอะไรโดยไม่ ร, ามาระมัดระวังย่อมเกิดความเสียหายนะครับคุณผู้ฟังครับสำนวนสุภาษิตไทยเป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์และเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันดังนั้นเราต้องช่วยกัน ร, รักษาไว้นะครับ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 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตั้งแต่ช่วงมรดกเพลงไทยมรดกวิถีไทยมรดกภูมิปัญญาไทยและมรดกทางภาษาก็จะเป็นความรู้เป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้รวมทั้งเพลงเพลาะๆที่ตั้งใจเลือกสรรสําหรับคุณผู้ฟังนะครับก็จะสร้างความสุขความสบายใจในแต่ละครั้งที่เราได้พบเจอกัน คุรู้ฟังสามารถรับฟังรายการมรดกไทยได้ใหม่ทุกวันพฤหัสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตผมอาจารย์สมพงษ์บุญหนุนผู้ดำเนินรายการขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับฟังและก็ขอบคุณสาหรับ กำลังใจที่ส่งมาให้เสมอๆนะครับเราจะพบกันใหม่คราวหน้าสําหรับวันนี้ขอให้คุณฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ fm 89.5 สิบมกะสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี